ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมก็ขอความหมายของกรรมกรรมแปลตามศัพท์ว่าการงานหรือการกระทำแต่ในทางธรรมต้องจำกัดความเฉพาะลงไปว่าหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระทำที่เป็นไปด้วยความจงใจถ้าเป็นการกระทำที่ไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรม ในความหมายทางธรรมอย่างไรก็ตามความหมายที่กล่าวมานี้เป็นความหมายอย่างกลางๆพอกลุ่มความได้กว้างๆเท่านั้นถ้าจะให้ชัดเจนมองเห็นเนื้อหาและขอบเขตแจ่มแจ้งควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเป็นแง่หรือเป็นระดับต่างๆดังนี้ความหมายของกรรมแง่ที่หนึ่งเมื่อมองให้ถึงตัวแท้จริงของกรรม หรือมองให้ถึงต้นต่อเป็นการมองตรงตัวหรือเฉพาะตัวกรรมก็คือเจตนาอันได้แก่เจตจำนงความจงใจการเลือกคัดตัดสินมุ่งหมายที่จะกระทำหรือพลังนำที่เป็นตัวกระทำนั่นเองเจตนาหรือเจตจำนงนี้เป็นตัวนำบ่งชี้ความมุ่งหมายและกำหนดทิศทางแห่งการกระทำทั้งหมดของมนุษย์ เป็นตัวการหรือเป็นแกนนำในการริเริ่มปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกอย่างจึงเป็นตัวแท้ของกรรมดังพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกรัมรมังวทามิเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วจึงกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ความหมายของกรรมแง่ที่สองมองขยายออกไปให้เห็นตัวการอื่นๆคือมองเข้าไปที่ภายในกระบวนการแห่งชีวิตของบุคคลแต่ละคนจะเห็นกรรมในแง่ตัวประกอบซึ่งมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการแห่งชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ในการปรุงแต่งโครงสร้างและวิธีที่จะดําเนินไปของชีวิตนั้นกรรมในแงน่นี้ตรงกับคําว่าสังขารหรือมักเรียกชื่อว่าสังขาร เช่นอย่างที่เป็นหัวข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทซึ่งแปลกันว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตหมายความว่าองค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนําซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือให้เป็นกลางๆงปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาเป็นกรรมแบบต่างๆถ้าจะแปล ง, ง่ายๆก็ว่า ความคิดปรุงแต่งแม้ในความหมายแง่นี้ก็ยึดเอาเจตนานั่นเองเป็นหลักบางครั้งท่านก็แปลเอาง่ายๆรวบรัดว่าสังขารก็คือเจตนาทั้งหลายนั่นเองความหมายของกรรมแง่ที่สามมองเลยออกมาข้างนอกเล็กน้อยคือมองในแง่ของชีวิตที่สำเร็จรูปแล้วเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหรือมองชีวิตที่ด้านนอกอย่างเป็นหน่วยรวมหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่ง ตามที่สมมติเรียกกันว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้หนึ่งซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเป็นเจ้าของบทบาทของตนของตนต่างหาต่างหากัากกนไปกรรมในแง่นี้ก็คือการทำการพูดการคิดหรือการคิดนึกและการแสดงออกทางกายวาจาหรือความประพฤติที่เป็นไปต่างๆซึ่งบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบเก็บเกี่ยวผลเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะมองแคบๆเฉพาะเวลาเฉพาะหน้า หรือมองกว้างไกลออกไปในอดีตและอนาคตก็ตามกรรมในความหมายนี้เข้ากับความหมายกว้างๆที่แสดงไว้ข้างต้นและเป็นแง่ความหมายที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดเพราะปรากฏในคำสอนต่อบคุคคลมุ่งให้ทุกคนรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและพยายามประกอบแต่กรรมดีเช่นในตปนิยสูตรขุ ต, ตกานิกายอิติุตตะมีพุทธพท์ว่าภิกษุทั้งหลาย ทำสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการคืออะไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทําความดีงามไว้ไม่ได้ทํากุศลไม่ได้ทําบุญซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านความขาดกลัวไว้ทําแต่บาปทําแต่กรรมหยาบช้าทําแต่กรรมร้ายกาจเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทํากรรมดีงามดังนี้บ้าง ว่าเราได้ทำบาปไว้ดังนี้บ้างน่าสังเกตว่าเท่าที่สอนกันอยู่บัดนี้โดยมากนอกจากเน้นกรรมในความหมายนี้แล้วยังมักเน้นแต่แง่อดีตอีกด้วยความหมายของกรรมแง่ที่สี่มองกว้างออกไปอีกคือมองในแง่กิจกรรมของหมู่มนุษย์ได้แก่กรรมในความหมายของการประกอบอาชีพการงานการดำเนินชีวิต และการดำเนินกิจการต่างๆของมนุษย์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเจตจำนงการคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปในสังคมมนุษย์อย่างที่เป็นที่เห็นกันอยู่เช่นพุทธพจน์ในวาเสตสูตรว่าดูกระวาเสทะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดาอาศัยขรกกรรมเรียงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราม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 ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรหิตผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาหาใช่พรามหมีผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาหาใช่พรามหมีเราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหม์คนไม่ใช่เป็นพราหม์เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นพราหม์เพราะกรรม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 ย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรมหรือดังพุทธพจน์ในอคัญยสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญ น, นาตก็มีพุทธพจน์แสดงกรรมในแง่นี้เช่นว่าครั้งนั้นแหลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันหมายเหตุเชิงอัดคำว่าสัตว์ในภาษาบาลี ปกติหมายถึงคนเป็นหลักเช่นเรียกพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนตัดสรู้ว่าโพธิสัตว์บ้างมหาสัตว์บ้างและเรียกแม้ภายหลังตัดสรู้แล้วว่าสัตว์ผู้ไม่มีทางหลงได้เลยบ้างขอกลับเข้าสู่พุทธพทุทอีกครั้งครั้งนั้นแลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันครั้นแล้วต่างปรับทุกกันว่าท่านเอ๋ย ทำชั่วร้ายทั้งหลายปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนอะอันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็ปรากฏมีการติดเตียนกันก็ปรากฏมีการพูดเท็จก็ปรากฏมีการถือไม้พลองก็ปรากฏมีอย่าะนั้นเลยพวกเราจะเลือกตั้งคือสมมติสัตว์ผู้หนึ่งขึ้นให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบให้เป็นผู้ตำหนิผู้ที่ควรตำหนิได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงพากันเข้าไปหาสัตว์ผู้สง่างามหน้าดูหน้าชมหน้าเลื่อมใสและหน้าเกรงขามยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้วแจ้งความดังนี้ว่ามาเถิดท่านสัตว์ผู้เจริญท่านจงว่ากล่าว ผู้ที่ควรว่ากล่าวได้ด้วยชอบจงตำหนิผู้ที่ควรตำหนิได้โดยชอบจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิดพวกข้าพเจ้าจากแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วเพราะเหตุที่เป็นผู้ซึ่งมหาชนเลือกตั้งดังนี้แลจึงเกิดถ้อยคาว่ามหาสมมติขึ้นเป็นประถมหรือในจักรวัติสูตร ทีคณิกายปาติกวัตก็มีพุทธพจน์แสดงกรรมในความหมายของการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจการต่างๆของมนุษย์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเจตจำนงเช่นว่าภิกษุทั้งหลายโดยนยะดังนี้แลเมื่อผู้ครองแผ่นดินไม่จัดเสริมเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนทั้งหลายผู้ไรทรัพย์ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความยากจนถึงความแพร่หลายการลักทรัพย์ ก็ถึงความแพร่หลายเมื่อการลักทรัพย์ถึงความแพร่หลายสัตราก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสัตราถึงความแพร่หลายการฆ่าฟันสังหารกันหรือปาณาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อการฆ่าฟันสังหารกันถึงความแพร่หลายการพูดเท็จก็ได้ถึงความแพร่หลายการพูดส่อเสียดการเมสุมิจฉาจารทำสองอย่างคือพรุสวาทะ และการพูดเพอเจอร์อภิชาและพยาบาทมิจฉาทิพยิก็ได้ถึงความแพร่หลายอย่างไรก็ตามแม้จะให้มองความหมายของกรรมครบทั้งสี่ระดับอย่างนี้เพื่อได้ความหมายที่สมบูรณ์แต่ก็ขอสรุปย้ำไว้ว่าจะต้องถือเอาความหมายในแง่ของเจตนาเป็นแกนยืนเสมอไปเพราะเจตนาเป็นตัวการที่นำมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายและกำหนดแนวทางว่า จะเกี่ยวข้องแบบไหนอย่างไรจะเลือกรับอะไรหรือไม่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะปรุงแปรดัดแปลงแต่งเสริมโลกอย่างไรจะทําตัวเป็นช่องทางแสดงออกของอากุศลธรรมในรูปของตัณหาหรือในรูปของโลภโทสะและโมหะหรือจะนําหน้าพากุศลธรรมออกปฏิบัติงานส่งเสริมประโยชน์สุขทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอํานาจอิสระของเจตนาที่จะทํา การกระทำใดไรจตนาก็ย่อมไม่มีผลตามกรรมนิยามคือไม่เป็นกรรมไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมกลายเป็นเรื่องของนิยามอื่นทำหน้าที่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตุกนิยามคือมีค่าเหมือนกับการที่ดินทลม่มก้อนหินปุกกรนร่วงหล่นจากภูเขาหรือกิ่งไม้แห้งหักลงมาเป็นต้น